พระอรหันต์ดื่มเหล้าแล้วไม่เมามีคนเคยเล่าให้ฟังในเมืองโคราชเนี่ยหลวงตาองค์หนึ่งกินเหล้าเข้าไปเป็นเทเทลูกศิษย์เห็นอาจารย์กินเหล้าพากันไปกินบ้างเอาไก่มาต้มกินพอกินแล้วเมาตีกันหัวร้างข้างแตกพอไปหาอาจารย์อาจารย์ถามว่าทําไมถึงตีกัน ลูกศิษย์ตอบว่าเมาเหล้าอาจารย์ก็ถามอีกว่ารู้ว่ามันเป็นเหล้าทำไมไปกินมันละ่ะลูกศิษย์ย้อนกลับว่าก็อาจารย์พากินหลวงตาท่านตอบว่าข้าไม่ได้กินเหล้านินาอันเนี้ยมันมีอยู่ในคัมภีรน้ำตาลกรวดผสมกับนมสดกรอกลงไปในปากนกรเรียนน้ำเท่านั้นไหลเข้าไปนมสดกับน้าตาลกรวด หาได้ไหลเข้าไปไม่คือนกกระเรียนมันกินอะไรมันไม่รู้รสสุรากรอกเข้าไปในปากพระอรหันต์น้ำเปล่าๆ เ, เท่านั้นไหลเข้าไปสุราหาได้ไหลเข้าไปไหมอันนี้มีอยู่ในคาภี